ถ้าเราได้รู้ตัวอย่างนี้ความไม่รู้ตัวจะแทรกเข้า ที่ที่มีที่เดียวแค่นั้นเองดังนั้นมัน กำหนดจิตให้แน่นอนนะครับเวลามีมีขนบธรรมเนียมของนักนักบวช ดังนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่ถือเป็นขนบมาแต่โบราณในมงคลปฏิบัติธรรมว่าครับเหมือนจะกินข้าวเราต้อง แล้วก็เป็นพิธครับดังนั้นทุกๆครั้งเมื่อเราจะทําอะไรจริงทุกๆครั้งที่เราจะเริ่มทํา แต่ตอนมากลายเป็นพิธีรีตองยุ่งกันซึ่งซึ่งกลายเป็นตรงกันรู้มันที่แล้วก็เริ่มเกณฑ์จะนอนก่อนฮะกําหนดเข้าไป จิตติดฉ่ำใสขณะที่หลับไปเนี่ยมันจะคุ้มครองผู้นั้นไว้จนกระทั่งถึงวาระที่ตื่นสิ้น เราต้องมารู้ตัวนะครับส่วนการเคลื่อนมือนี้เป็นบทสัมทับเท่านั้นเข้าใจ ขาขาเริ่มติดกันนะกระดูกที่ต่างกันถ้าจะเข้าใจผิดคิดว่าฝึกมันสวยดีนะไม่ถอดหายขาหายแล้วยังไม่ถอดเล็กครับมันมีคน ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงรู้จักตามที่เป็นจริงอีเรื่องนึงบาตรหลวง ใจดํามากๆเลยขี้ยั่วด้วยเราจะทําอย่างนั้นมั้ยครับเราเรียน ตกทุกข์ยากจนมากไม่มีเงินที่จะอะไรได้ก็ออกมาจากบ้านมาพักกันที่ข้างทางในมีพระคาร์ดินัลรูปหนึ่งพระคาร์ดินัลก็คือใครๆจะเทียบทางรัฐบาลคือรัฐมนตรีหรือของของของ The Pope Benedict Sangrar พระ ชาวนาคะเห็นเป็นพระคารินันท์ก็อ้อนวอนครับท่านขอให้ท่านช่วยด้วยประโยคแรกที่พระคารินันท์พระคารินันท์ซึ่งเป็นแคทอลิกนี่พระของแกสิ ศาสนากระไดบทเรียนนี่ครับ 1 บราเธอร์กัน 1 เดือนบราเธอร์นี่หมายถึงๆพระใหม่มีการโปรเตสแตนต์ครับแต่บัดนี้ศาสนาเริ่มกันร่อนครับพอรู้พอเห็นเขา คุณพ่อนั้นบอกว่าแกก็ไปหาพวกพระแคทอลิกสิก็เดินหนีพี่ชาวนาภูมีเอเลนอร์ร้องคร่ำอยู่ กิ๋นคนเห็นคนป่วยคือคนป่วยไม่ใช่เห็นอ๋อมึงเป็นแคทอลิกมึงเป็นโปรเตสแตนต์เข้าใจ ที่เมือง 1 ที่สระรัตน์เนี่ยเกิดเหตุรถชนโสภณีคนๆที่จะดู ก็บอกผู้หญิงคนนี้กําลังจะตาย มีหมอคนหนึ่งถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลนั้นเป็นหมอผ่าตัดเขาเป็นโปรเตสแตนต์แต่พอไปถึงที่นั่นก็ปิด หมอ 1 หมวิ่งเข้ามาในห้องผ่าตัดบอกว่าทุก ศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับศาสดาองค์สอนในเรากรุณาเนี่ยเราไม่ยึดถือตัวสีดนไม่ให้แบ่งความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะเราเพิ่ง <c oughs> จิตใจที่ติดยึดศาสนานี่มันร้ายยิ่งกว่าชาวบ้านอีกชาวบ้านเค้าไม่รู้ <c oughs> ให้คนอื่นก็ยึดถือแต่เราไม่ควรที่ยึดถือในลัทธินิกายอะไร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 แต่มรู้เห็นโดยสภาพเป็นจริงนี้นะสภาพเป็นจริง เหมือนกับว่าเรานอนหลับแล้วก็ฝันฝันว่าขึ้นสวรรค์วิมานหรือผีๆฉะนั้นเวลาพระเจ้าท่าน กายนี้ดุจฟองน้ําท่านไม่บอกกายนี้ไม่มีตัว คงแกเรียนรู้ยาครับก็คงมองชีวิตด้วยแสงเลเซอร์ด้วยแสง X ก็บอกร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรเลยเป็น ที่อะไรคุณสีสมอนี่จริงๆไม่มีครับแต่แต่สีสมอนไม่มีเอ๊ะหรือว่ามีมัน มันมีเท่าที่เราอุปโลกน์ขึ้นมาแต่เวลาเรานอนหลับสมมุติว่ามีคนนอนนะครับบนเตียงหรือบนในห้องห้องนั้นมีทั้งเด็กผู้ ถูกมั้ยดังนั้นในสภาวะในตัวของ 5 มันเป็น 5 เปรียบดั่งทิพย์แดดเปรียบๆ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 อมีอยู่สองประเภททนั้นที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนมีและเพื่อที่ 5 ตามที่เป็นจริง ส่วนสมาธิที่เป็นนั่นเพื่ออะไรต่อๆใครสนใจเข้าอาจ ผู้เจ้าตรัสสัมมาสตินิกก่อนสัมมาสมาธิใช่มั้ยครับจําได้มั้ยอริยมรรค เมื่อรถแทรกเตอร์สักคัน 1, 1 คายติดเครื่องขึ้นมาแล้วไม่มีคนๆ เมื่อสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอสมาธิทิฏฐิก็ไม่สมบูรณ์เข้าใจมั้ยครับสมมุติแต่นี้เราสอน 1 ครับ สมาธิก็จะพอเพียงเมื่อสภามาที่พอเพียงสมาธิทิฏฐิก็จะพอเพียงพอเพียงที่จะรู้ แต่มันไม่พอที่จะรู้เห็นขันธ์ 5 ตามที่เป็นจริงและที่จะ มันนั้นก็จะปรากฏขึ้น คือชัดๆตรงๆอย่าอ่อนช้อยครับอย่าทํา <c oughs> แต่ถ้าเราเคลื่อนที่คิดนึกออกไปนอกตัว อาจจะมีความเหนื่อยหน่อยบ้างครับแต่นั้นค่ำจะรู้สึกดีขึ้นๆจะดี แต่วันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราจะทําเราจะเดินหยับๆ พอตอนที่เราฝันซะนี่คือมันๆแล้วก็ลืมตัวไปๆสบาย <c oughs> ปกติมันหดกลับมันเป็นๆ หินตาถึงเหมือนพริบอยู่นะครับไว้จะเข้าหอย อิริยบทใหญ่คือการนั่งการเคลื่อนไหวน้อยๆภายใต้อิริยบท ปราชญ์จักขุสมาธิแล้วจะเรียกมีการเห็นไม่ แต่ระดับดับของสมาธิต้องถึงระดับแน่หลายเรื่อง 2-3 เรื่องก็รู้รู้ขึ้นมาพอ สิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คืออย่าให้มันพูดมันพูดอยู่ข้างในทั้งๆหอยนะครับที่ๆๆ ข้างในเหมือนกันในเหมือนกันมันพูดจ๊อดๆจ๊อดๆอยู่เรื่องแล้วไม่ให้มันพูด มันก็เป็นภาษาของหัวใจเท่า เป็นเป็นคําพูดสภาวะรู้ในครั้งที่พระเจ้าทรง <c oughs> เลยเรียกว่าตรัสรู้ตรัสคิดทรงดำราบออกมาว่ารู้ละคือเข้าไปๆคนนี่มีตัวหนึ่ง พอได้รู้ตัวให้มากๆพอคิดขึ้นมาก็ไม่สนใจมันพอรู้ตัว ผมเห็นด้วยบ้างว่าคือว่าที่เราปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ผม 4 ปีเพราะ 20 ปีไม่เคย เพราะเราต้องทําความรู้สึกตัวเช่นนี้นะ แล้วก็ได้รับผลขึ้นมานะครับๆนะ ศรัทธาที่แทงเราจะปรากฏขึ้นครับเราเห็นพระเรามีพระจริงหรือพระแก่สายไปแล้วก็ไม่ค่อยพาสุขเท่าไหร่แต่ว่า ในการที่เรา